การตั้งใจเหมือนเดิมแหละการตั้งใจนั้นก็คือว่าเป็นหน้าที่ของเราผู้มีความเพียรหวังว่าจะเอาชนะความชั่วให้ความดีมันจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่ความดีมันจเจริญขึ้น ไปไม่ได้กระเพราะมันคาความชั่วนี่เองอความชั่วนี่มันถ้าพูดรวมๆก็ได้แ ก, ก่กิเลสกิเลสนี่มันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอันที่มันทําให้จิตใจมัวหมองอยู่ในโลกอันเนี้ยันั้นทุกคนต้องให้รู้เรื่องของตัวเอง ใจิตใจตัวเองมันมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสอย่างไรก็ให้รู้ถ้าไม่รู้แเ้าก็ละมันไม่ได้ในเรื่องการภาวนาก็เพื่อที่จะให้รู้เรื่องของกิเลสที่มันหมกหมุ่มอยู่ในใจิตใจเพราะว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจนั่นโดยตรง ดังนั้นถ้าเราไม่ทำใจให้สงบลงไปก็ไม่เห็นไม่เห็นตัวกิเลสเพราะกิเลสมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างมันเป็นธรรมารมเกิดขึ้นกับดวงจิตนี้จิตเป็นผู้สร้างมันขึ้นเช่นความรักอย่างนี้นะ ก็ถ้าจิตไม่สร้างมันขึ้นมันจะมีได้อย่างไรโลกก็เหมือนกันความโลกกับความรักมันต่างกันความโลกหมายถึงความอยากได้ในสมบัติของผู้อื่นโดยทางทุจริตไม่ใช่อยากได้โดยทางสุจริต ของตนเองมีอยู่ไม่พอใจบริโภคใช้สอยเห็นของคนอื่นมากกว่าตนก็คิดอยากได้ขึ้นมาแล้วก็หาอุบายเอาโดยทางทุจริตผิด ท, ทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายอะไรหมดนี่นะเนี่ยเรียกว่าลักษณะความโลภลักษณะความรักอันนี้มันหมายถึง ความรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะจัดว่าเป็นบาปอกุศลทีเดียวก็ไม่ได้เช่นความรักในระหว่างหนุม่มและสาวถ้ารักกันตามประเพณีไปอย่างนี้มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีโทษอะไรถามไป รักเมียคนอื่นหรือผัวคนอื่นเข้าไปไปติดต่อมายาสาไถต่อกันจนได้เสียกันลงไปอย่างนี้ความรักอย่างว่านี่ก็ให้เกิดโทษแล้วเกิดบาปมันเป็นยางไงหรือว่าความรักเข้าของเงินทองต่างๆ่างมเนี่ย รักแล้วก็ยึดถือไว้สำคัญเป็นของตัวของตนเมื่อมีมาแล้วสะสมไว้แล้วก็จิตใจก็ผูกพันอยู่อย่างนั้นไม่มีอุบายรู้เท่าทรัพสมบัติเหล่านั้นเอาตะกีเลตเข้าว่าอันนี้มันก็เป็นกีเลตเป็นเครื่องมัวหมอง เป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกอืมทําให้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ผูกพันอยู่อย่างนั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วจิตใจก็ไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วจิตใจก็ไปผูกพันอยู่กับสมบัติที่ตนรักใคร่พอใจนั้นเช่นนี้ก็ไปเกิดที่ไหนไม่ได้อืม เน่โทษของความรักอันนี้นะแล้วก็ถ้าความรักที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนทำมาหากินกมพน้นทนแดดสารพัดตังแต่การแสวงหาพราะ ม, มันมีความรักแล้วมันก็ต้องมีเครื่องผูกพันมีม เรื่องที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั้นเช่นนี้แหละมันจึงว่าเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกนั่นแห่อบุคคลผู้ที่มีปัญญากับความรักนันก็แบ่งออกซะเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็รักศีลรักธรรมรักบุญกุศล ให้มากตัวนหนึ่งก็รักครอบครัวตัวเรือนโดยทางชอบด้วยศิลด้วยธรรมในอย่างนี้มันก็ไม่พอที่จะให้เกิดบาปเกิดโทษมันเป็นอย่างนั้นให้คนส่วนใหญนะ่น่ะมันไปรักตั้งแต่กามกิเลสนั่นแหละมากที่สุดมารักศิลธรรมรักบุญกุศลความจริงแล้วควรจะรักบุญกุศล น, นี่แหละ ให้มากกว่าการรับสิ่งอื่นทั้งหมดเพราะว่าบุญกุศลความดีนี่เป็นสิ่งที่ติดตามตนไปได้ทุกแห่งทุกขนแม้ตนจะไปเกิดที่ไหนบุญกุศลสินธรรมก็ไปอำนวยความสุขความเจริญให้ในภพในชาติที่เกิดนั่นนั่นในอย่างนี้นะถ้าคนไม่พิจารณา ให้ละเอียดทีท่วนไม่เชื่อพระปัญญาตัศรูของพระพุทธเจ้านี่มันก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อว่าบุญกุศลนี่จะติดสอยห้อยตามอํานวยความสุขให้ในการต่อไปอย่างนี้มันไม่เชื่อกันบางคนนะผู้ที่ไม่ทําบุญนะ่ะผู้ที่ทําบุญอยู่นี่ล้วนแต่เชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทํา นั้นว่าจาักอำนวยผลให้ตนเป็นถูกทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าและทั้งเป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้บรรลุถึงถึงพระนิพพานเ<ส>มือ่อเมื่อมีความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้แล้วมันถึงขมักขม่นในการบำเพ็ญบุญกุศลแลวก็เชื่อมั่นว่าความชัว่ว่ะมันเป็นสิ่งเสน่ห์จันไลยต่อชีวิต มันก่อทุกข์ให้เก่ชีวิตนี่มานับขณ า, านับชาตไม่ทวนแล้วเห็นแจ้งในใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำความชั่วนั้นๆเลยมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังไม่ให้จิตมันตกไปในทางบาปอากุศลต่างๆก็เป็นเช่นนี้แหละชีวิตของชาวพุทธเนะ ชาพุทธมันต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อืมเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราละบาปแลว้วบำเพ็ญบุญนี่ถ้าผูใ้ใดไม่สนใจเรื่องบาปเรื่องบุญมูนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่ได้เรื่อมใสในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอมเป็นเช่นนั้นที น, นี่ผู้ที่ ฝ่ใจในทำคำสอนของผเทอเจ้าแล้วก็คือฝ่ใจต้องการรู้บาปรู้บุญรู้กุลรู้เทษนี้เองไม่ใช่อย่างอืน่นใดไอ้ขั้นต้นนี่นะในเมื่อขั้นสูงขึ้นไปก็รู้อริยสัจจะทำทั้งสี่นั่นความรู้นี่นะมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปกระโดดเอา ตอนปลายนั่นเลยจะไปกำหนดรู้อริยสัจสี่ได้ด้วยปัญญาเลยอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อยังทำละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความสงบความเย็นใจไม่ได้อย่างนี้แล้วใจไม่สงบไม่มีปัญญาเช่นนี้แล้วไม่มีทางที่จะไปรู้ธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้การที่จิตใจสงบไม่ได้ก็เพราะ อาศัยบาปหรือความชั่วนี้เองเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจเช่นอย่างว่าบุคคลละความโลภโกรธหลงอย่างหยาบได้แล้วไม่เบียดเบียนใครและไม่ทำทุกข์ให้แก่ใครอย่างนี้ทำมาหาเลี่ยงฉีดโดยทางที่ชอบแล้วอันนั้นมันก็เป็นเพียงขั้นละบาปแบบนี้นะ ละกําอันชั่วออกจากกายวาจาใจที่นี้กิเลสอย่างกลางมันก็ยังมีอยู่ป่ะนี่เมื่อกิเลสอย่างหยาบมันละงับไปก็ยังกิเลสอย่างกลางที่บุคคลจะพึ่งศึกษาให้รู้ให้เข้าใจนี่เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะเมื่อละกิเลสอย่างกลางได้มุก็ยังอย่างละเอียด กิเลสอย่างกลางก็ได้แก่นิวนณห้าหนึ่งความรักสองความชังความพยาบาทสามความหดถูง่วงเหงาหานอนสี่ความฟุ้งซ่านลำคานของจิตใจห้าความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจจะ ท, ทมทั้งสี่ก็สงสัย ไม่สามารถจะรู้แจ้งได้นี่นิวรณธรรมห้าอย่างนี้แปลว่าทมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลคุณงามความดีได้แน่นอนทีเดียวถ้าผู้ใดจิตใจวิตกวิจาร์ไปในความรักความใคร่อยู่เช่นนี้ใจก็สงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้เลยผู้ใดมีจิตใจวิตกวิจาร์ไปในความโกรธความผูกโกรธไว้ในใจ โกรธใครมาแล้วก็ยึดถือไว้เมื่อนั่งสมาธิภาวนาไม่สงบลงได้เพราะว่าขาดการเพ่งขาดการทําความเพียนเพ่งพินิษจิตจึงสุุ้งซ่านลาคาญสงบลงไม่ได้ปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องราวที่มันได้พบได้เห็นได้รู้ออเช่นตาหู หมนี่รูปเสียงกลิ่นรสมากระทบตาหูเป็นต้นเราเนี่จิตก็คิดปรุงแต่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเหล่านั้นคิดอยากได้บ้างคิดเสียใจบ้า ง, งคิดในความผิดหวังต่างๆแล้วก็กลุ่มใจจิตเลยหยุดสงบลงไม่ได้ือ บางทีก็นอนไม่หลับเลยคิดมากอย่างนี้นะมันจะให้มันเกิดปัญญารู้แจ้งได้ยังไงถ้าปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนี้ <c oughs> ความสงสัยลังเลก็เหมือนกันนะเมื่อภาวนาลงไปแล้วสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษ สงสัยว่าตนภาวนานี่จะถูกต้องหรือไม่เนา อ, อจะเป็นไปถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไวหรือไม่หนอะโมนี่นะเมื่อมันสงสัยลังเลอยู่เนี่ยมันจะไปสงบได้ยังไงจิตอ่ะอนั้นแหละฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาความสงสัยอันนี้ลงไป เราเพ่งใจลงไม่ต้องไปวิตกปิจานถึงเรื่องอะไรกำหนดหนักอารมณ์ต่างๆลงไปเมื่อเพ่งไม่หยุดสติมันเพ่งเข้าไปข่มจิตดันไว้ไม่ให้มันคิดไปทางอื่นเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปสามารถข่มจิตไว้ได้จิตก็หยุดคิดหยุดนึกไป หยุดคิดหยุดนึกก็สงบลงไปมันต้องออกแรงนะกลัวว่าจิตจะสงบลงได้จิตที่เคยฟุ้งซ่านรำคาญทางๆงนานาเ น, นี่ยเคยสงสัยถ้ามันจิตฟุ้งซ่านแล้วมันสงสัยแหละคนเรานะ่ะมันไม่รู้เรื่องมันนะเปน็นยังนเพราะฉะนั้นเมื่อทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้แล้ว พิจารณาอะไรก็เห็นแจ้งเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนนั่นก็โผล่ขึ้นในใจถ้าผู้ใดยังปล่อยใจพุ่งส่านเรื่องลอยอยู่นี่แม้จะฟังเทศฟังธรรมไปกี่ครัง้งกี่หนธรรมะนั่นก็ไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจเพราะใจมันยึดหน่วงอารมณ์ภายนอกนู่นดูมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะธรรมะโดยงั้น ถ้าหากว่าได้ทำใจให้สงบระ ง, งับลงไปได้อย่างนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลนะการทำใจสงบลงนี่นะท่านเรียกว่าบุญกุศลบุญอย่างสูงการทำใจสงบนี่ให้เข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นบุญนะเป็นบุญอย่างสูงให้เข้าใจอย่างนั้น เพราะมันเป็นบอ่อเกิดของปัญญานี่เพียงอานิสง์ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นยังไม่สามารถจะเป็นบอ่อเกิดของปัญญาได้เพราะจิตใจมันยังพุ่งสร้างอยู่ยังไม่สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปแค่ให้ทานนี่ก็แม้จิตใจไม่ตั้งมั่นเท่าไหร่มันก็ให้ได้การรักษาศีลก็เหมือนกันนะ เมื่อมีความกลัวต่อบาปต่อผลของบาปที่ตนทำนั้นมันจะอํานวยให้เป็นทุกข์เท่านี้แล้วก็รักษาศีลได้เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้แต่ความคิดความนึกความฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอันไม่เป็นบาปอากุศลนั้นมันมีอยู่วานี่นะมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นอนะลำพังแต่อริสงทานอริสงศีลเท่านั้นนั่น มันจะทำใจให้สงบลงยังไม่ได้ต่อเมื่อเรามานั่งภาวนาลงไปเพ่งถึงผลทานผลสินที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาเป็นอารมณ์อย่างนี้เมื่อผลทานผลสินนั่นปรากฏขึ้นในใจแล้วใจก็จะเบิกบานผ่องแผ้วใจก็เป็นสุขสบาย เมื่อใจเป็นสุขสบายแล้วมันก็ไม่ต้องการคิดคิดนึกฟุ่งซ่านไปทางอื่นการที่จิตคิดฟุ่งซ่านไปทางอื่นนั้นเพราะเหตุว่ามันไม่มีความสุขมันไม่ได้รับความสงบมันจึงพุ่งซ่านคิดไปหาความสุขเรื่องมันอ่ะทีนี้พอมาได้คุณทานคุณศินเป็นอารมณ์เข้าไปแล้ว วันนี้ใจมันเบิกบานสิมันสบายนั่นะมันถึงจะหยุดคิดไปในทางอื่นให้เข้าใจเมื่อมันหยุดคิดไปทางภายนอกได้แล้วมันรู้ว่าผลแห่งทานก็อยู่ที่จิตนี่ผลแห่งการรักษาศีลก็อยู่ที่จิตนี่มันก็ไม่จาเป็นต้องไปแส่ายหาเลยวะเ น, นี่ยก็เพ่งกันอยู่ในจิตนั่น นั้นแหละในที่สุดจิตมันก็ค่อยรวมลงรวมลงมันมันคลายอารมณ์ภายนอกออกแล้วนี่อมันคุณแห่งทานแห่งศีลมาตั้งอยู่ในจิตแล้วอารมณ์ภายนอกก็อยู่ไม่ได้ต้องถอนออกไปโทบใจมันชอบทานชอบศีลชอบคุณแห่งทานแห่งศีลเมื่อได้ชอบเรื่องเอื่น ในเข้าใจอย่างนั้นโน้มใจให้พอใจในผลทานผลสินให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็วางอารมณ์ภายนอกต่างๆได้จิตใจมันจะสงบลงได้มันต้องมีกำลังมันต้องมีสิ่งที่ให้กำลังใจใจเข้มแข็งกล้าหารเมื่อกิเลสสรมานมัน แสดงบทปาดรบกวนมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามพอมันได้บุญกุศลอันเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั่นนะประกอบเข้าแล้วมันถึงมีกำลังถ้าหากว่าใจนี่นะมันไม่มีบุญไม่มีคุณเหล่านี้เป็นกำลังแล้วมันอ่อนแอ เพราะฉะนั้นนะมันถึงวันไหวไปตามอานาจของกิเลสความชั่วร้ายต่างๆต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องให้ใส่ใจเรื่องกุศลความดีที่ตนทำมาให้มากๆาเลยดังในอนุสติสิประการพระพุทธเจ้าก็ยังสอนให้มันนั้นลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์ ให้มันะระลึกถึงศีลที่ตนรักษามาะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคระลึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดามย่นี้ะระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์บ่อยๆะระลึกถึงร่างกายให้เห็นไปตามสภาพความจริงของมันอย่างนี้ รลึกถึงลมหายใจเข้าออกก็รงสอ น, นระลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติจับเพลิงกิเลสแต่กองทุกข์ได้โดยประการท้งปวงนั่นเนี่ยถ้าใครไม่นึกถึงคุณของพระนิพพานผู้นั้นก็จะไม่พอใจอยากจับบรรลุพระนิพพานเพราะไม่ เหตุผลแห่งพระนิพพานไม่ปรากฏในใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้นึกถึงบ่อยๆนึกยังไงอ่ะคนนึกว่าพระนิพพานนี่นีะ่ะเป็นที่ระ ง, งับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยการทั้งปวงกิเลสน้อยหนึ่งก็ไม่มีในพระนิพพานอันโลกอื่นนั่นมันต้องมีกิเลสแทรกแซงไปเมื่แต่ในพรหมโลก อรูปภมอรูปภมนู่นมันก็ยังมีกิเลสแทรกเข้าไปอยู่นั่นแหละอวิชชาความไม่รู้มันก็มีอยู่ในจิตใจของพรมเพราะพรมนั้นยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแม้ในสวรรค์หกชั้นก็เหมือนกันมันก็มีกิเลสแทรกแทงไปอยู่ไปอย่างนั้น ดังนั้นแหละมันถึงหาความยั่งยืนไม่ได้เมื่อมันมีกิเลสมันก็ต้องมีเป็นเหตุให้ทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างบันนี้ถ้าผูดด้ใดทํากรรมดีละกรรมชั่วได้แต่ว่ากรรมดีที่ทํานั้นยังไม่เต็มอย่างนี้นะมันก็อำนวยผลให้ไปเกิดได้สุคติโลกสวรรค์หกชั้นนั้นชั้นใดชั้นหนึ่ง ตามกําลังของบุญที่บุคคลผู้นั้นกระทําผู้ใดมีบุญมากก็ได้ไปเกิดชั้นสูงขึ้นไปผู้ใดบุญน้อยก็เกิดชั้นต่ําลงมานี่เป็นอย่างนั้นไอ้ที่เกิดของบุคคลผู้มีบุญผู้ชอบบุญกุศลผู้เบื่อบาปผู้เพียรละบาปออกจากกายวาจาใจของตน ในสวรรค์นั่นไม่มีการค้าไม่มีการขายนี่ว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เดาเอาอ่ะไม่มีโคลักรรมคือไม่มีการทำนาทำสวนไม่มีพาณิยกรรมคือไม่มีทำการค้าการขายอะไรเลยนี่อา้าวอยู่กันยังไงท่นก็อยู่สวยผลบุญที่ตนได้ทำจะเป็นมนุษย์เนี่ย นะน่ะบุญกุศลที่ตนได้สะสมเป็นมนุษย์ที่มันมากวันนี้มันก็ไปอํานวยผลให้มีของทิพย์ของเกิดเองเป็นเองได้บริโภคใช้สอยตามสบายๆมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั่นแหะมันถึงไม่มีการทํานาทําสวนเป็นต้นได้ไม่มีแย่งซื้อแย่งขาย ไม่อิจฉาพยาบาทจองร่างจองผานกันเหมือนมนุษย์โลกเราเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสุขคติแดนแห่งความสุขแต่มันก็ยังไม่เป็นความสุขสุดยอดหรอกแต่มันก็อยู่ในระดับหนึ่งความสุขในสวรรค์เมื่อหมดบุญที่ทำจากมนุษย์โลกนี่แล้ว ก็จุดติเพื่อนที่จากพบที่เกิดนั่นหาไ ป, ไปหาเกิดที่ใหม่ส่วนมากท่านกล่าวว่าก็ลงมาเกิดในมนุษย์โลกนี้แหละแต่เทวดาบางตนเมื่อเมื่อทำบาปไว้ในโลกนี้มากกพอสมควรแต่ทำบุญด้วยมากกว่าบาปวันนี้พอ ชวนจะตายนั้นนึกถึงบุญกุศลได้จิตใจอกไปในบุญกุศลบุญกุศลก็ลกกนําไปเกิดสวรรค์ก่อนพออยู่เสวยผลบุญนั่นไปหมดเขตของบุญนั่นแล้วจุติจากสวรรค์ก็ลงนรกเลยบาปนั่นมันคอยฉุดคล้าเอาอยู่อย่างนั้นแหละอืมถ้าถ้าบุญกุศลยังไม่หมดบาปมันก็ให้ผลยังไม่ได้ นี่เป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจอันนี้พูดตามตำราทั้งนั้นแหละไม่ได้พูดนอกตำราหรอกแต่ทีนี้บางคนบาป ก, ก็ไม่มากทีนี้บุญกุศลมากเมื่อไปสวยผลของบุญอยู่ในสวรรค์แล้วหมดเขตของบุญนั้นแล้ว บาปนั้นไม่สามารถจะฉุดไปนรกได้เคลื่อนจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในมนุษยโลกนี้อืเพราะฉะนั้นบางคนน่ะถึงได้มาสวยผลของบาปบางคนมีเงินมีทองครอบครองมากมายมีบริษัทบริวารมากก็ถูกฆ่าตายอายุทังยังไม่ทันเข้าแก่ชราอะไรก็ถูกฆ่าตายแล้ว นี่แหละบาปกรรมนี่แมันจะตามให้ผลอยู่อย่างนั้นไม่ลดละเมื่อบุคคลไม่รู้ตัวตั้งแต่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่อธิษฐานใจละเว้นนะทเป็นเมื่อตนทำบาปทำกรรมแล้วทำเฉยเมยทำเป็นไม่รู้ไม่ชิ้อะไรอย่างนี้นะนี่แหละบาปมันจะติดตามไปเลยบระเี้ยอใอ้เข้าใจ อันที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปละได้นั่นหมายความว่าบุคคลใดทําบาปลงไปแล้วก็ยอมรับตนธรรมไม่ปฏิเสธแต่เป็นละหุ ก, กรรมกรรมเบาไม่ใช่คารุกรรมกรรมหนักเมื่อยอมรับสารภาพว่าตนได้ทําจริงเรื่องนั้นนะอย่างนี้ก็ยังยัดยอมมาสมทานศีลกับพระอย่างนี้เลย กรหมความวามาปฏิ ญ, ญาณตนว่าจะไม่ทําบาปอย่างนั้นต่อไปอีกอืมถ้าถ้าถ้าบุคคลสมทานศีลไปตามอเพณีเฉยๆไม่คิดที่จะละบาปกรรมความชั่วที่ตัวทามานั้นเลยอย่างนี้บาปกรรมนั้นมันก็ไม่หมดอะสมทานศีลก็สมทานไปอย่างนั้นเลยบาปกรรมนั้นมันก็ติดถอยหอยตามไปแต่ถ้าผู้ใดมาตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปแล้ว เอาละบาปกรรมที่ข้าพเจ้าทํามาแล้วข้าพเจ้ายอมรับก็ได้ทําจริงเพราะไม่รู้วันนี้ตอนน่อไปข้าพเจ้าจะสมัครานมั่นในศีลจะไม่ทําบาปอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยความสัตด์คมจริงอันนี้ก็ขอให้บาปกรรมอันนั้นมันหมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจของข้าพเจ้าอือธิษฐานใจนี้อย่างนี้เรื่อยไปแม้ไม่พระนั่งสมาธิภาวนา ก็ อ, อธิษฐานจิตละบาปอกุศลนั้นเสมอไปเช่นนี้แล้วบาปกรรมนั้นหมดไปจริงๆอขอให้เข้าใจถ้าผูใ้ใดไม่ทำความเพียรอุปไปแยบคายในใจอย่างว่านี้แล้วบาปนั้นไม่หมดมันจะต้องติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละ